พระธรรมเทศนาแผ่นที่78ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงทางในวันที่25กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่ามีวาสนาได้มาบวช ครับต่อไปอาราธนาสินห้าพร้อมกันมะยังพันเตวีสุ่งวีสุ่งวรัธนาทะาายาเอาต่อไปตั้งใจสมาทานสินแต่ลูกพ่อเองไม่ได้ให้คณะทายญญาติโยมรับสินทุกวันไม่ใช่เราจะดูซะก่อนว่าวันพระแต่วันพระในแน่นอน วันพระ8ดค่ำส15้าค่าจะมีการไหว้พระรักมาฐานศีลทนในพรรษาเราจะให้รักสมาฐานศีลอุโบสถคือศีลแปแต่พอออกพรรษานอกพรรษาถ้าเห็นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมามากหลวงพ่อก็จะให้สมาทานศีลห้าเพื่อเป็นาศาสนพิ ธ, ธีพวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาแล้วก็คงจะควรจะ แสดงตนเป็นพุทธศาสานิกชนพุทธมาม ก, กะแล้วก็เป็นผู้มีศีลมีศีลมีธรรมจากช่วงระยะสั้นๆหลวงพ่อคนโบราณเขาเปรียบเทียบ ว, ว่าช่วช้างกระทบหูช่วงงูแลบลิ้นพวกเราก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะช่วช้างกระทบหูช่วงูแลบลิ้นอันนั้นก็คือคุณงามความดีอันนั้นก็คือศีลคนโบราณเขา ถือกันท่านบอกเป็นคําออกมาเพราะฉะนั้นพวกเรามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อจึงให้สมาทานศีลอย่างวันนี้แหะเป็นวันพิเศษสําหรับาาศรัทธาญาติโยมหรือตระกูลของพวกเราที่มีนาคทั้งหมดจะบวชวันนี้10บนาค ก, กลุ่มที่10บนาคเนี่ยกลุ่มคือกลุ่มญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายาย วงสาคานาญาตญาณมิตรสายของนาคที่เป็นญาติโยมของนาคเพราะนั้นพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้เข้ามาสู่วัดอย่างนี้แหละที่จะบวชนาคอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยพวกเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีคือชําระกายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศีลซะก่อนจากนั้นพวกเราก็จะได้บวชนาค บวชลูกบวดหลานของเราฝากเลือดเนื้อเชื้อไขไว้ในพระพุทธศาสนาคือตระกูลของพวกเรานามสกุลของพวกเราพวกเราจะได้เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้คราวนี้ครั้งนี้เป็นข่าวที่จําเป็นสําคัญพวกเราควรจะชําระกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลซะก่อนพวกเราจึงจะรับ อันนี้สงอันยิ่งใหญ่คือพวกเราได้ฝากฝากังบวชลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาวันนั้นหลวงพ่อจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วม ง, งานเป็นผู้มีสินซะก่อนสินห้าก็คือสินคุ้มครองโลกสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศมาแต่ดึกดำบรรท้ า, าว่ายุคในสมัยไหนแทบไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ก็ให้พวกพุทธศาสนิกชนมีศีลห้าเนี่แหละคุ้มครองกันถ้าคนที่มีศีลห้า อ, อยู่ด้วยกันแล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเรากลุ่มของพวกเราคณะของพวกเราเพราะฉะนั้นศีลห้าเนี่ยเป็นศีลมีคุณค่าศีลคุ้มคลองโลกมาแต่แตดึกดําบรรถึงอย่างไงก็เถอะนะมายึางถึงยุคนี้สมัยนี้ความเจริญทุกด้านไม่ว่าด้านไหน แต่พวกเรานำศินห้าของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ดูแล้วก็เป็นยังเป็นศินคุ้มของโลกศินห้าของพระพุทธเจ้าท่านวิคิดว่าอยากฆ่ากันคําว่าอยากฆ่ากันคํานี้มันตัดรากเหง้ารากโคนแล้วแต่กฎหมายไนดะ้ยังบอกฆ่าสัตว์ที่ตัวเองเลีเ้ยงมาถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดแต่ศินห้าของพระพุทธเจ้าแต่ ว, ว่าคิดฆ่าแล้วผิดทางนั้น ท่านต้องคิดถึงชีวิตของเขาชีวิตของเราอันนี้ก็คืออย่าค UM> ิดฆ่ากันมนุษย์ของเราก็เหมือนกันถ้าเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าพี่น้องปู่ย่าตายายของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดฆ่ากันทินนาทานก็เหมือนกันอย่าคิดขโมยของเขาถ้าเราไปขโมยของเขาหมาเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจ เขาก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สองคืออธทินนาทานอย่าขโมยของเขาเสมมติว่าไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขามาเรียกค่าไทยอย่างนี้ เ, เราเสียใจมถ้าเป็นมาเจอกับเราเราก็เสียใจถ้าไปเจอกับใครก็เสียใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นอย่าขโมยกันอันนี้นคือขโมยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะอทิออ กาเมสุมิชาจาราวิระมะนีก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสังวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันเพราะต่างคนมีต่างคนต่างมีพี่มีน้องมีวงศ์สาคนาญาตมีพ่อแม่ของพวกเราอันนี้ก็คือสี่ข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมะนี อย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราก็เราก็เสียใจยเช่นเดียวกันวันนั้นให้สัมรวมระวังศสน่ข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อคนขาดจิตและทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างพวกคนดื่ม หรือเสพของเมินเมาทุกวันนี่มีหลายอย่างแต่เป็นชื่อมีชื่อก็ตมไม่ไม่มีชื่อก็ตามแต่เสพและดื่มเข้าไปแล้วฉีดเข้าไปแล้วในร่างกายเข้าไปเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อขาดจิตแล้วทําความชั่วได้ทกอย่างเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้สํารวมระวังเมื่อคนเสพหรือดื่มเข้าไปแล้วเน่ยเมื่อขาดจิตแล้วทําความชั่วฆ่าใครก็ได้ศินข้อที่หนึ่งขาดกระจุย ข้อที่สองอธินนาฐานขโมยใครก็ได้ข้อที่สประพฤติประพฤติลาะบะะประลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ข้อที่4มุสาโกหกไครก็ด่านเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าศินข้อที่ห้าสุราเมรยามัชฌะประมาณการดื่มสุราและเมลัยสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์แล้วก็ของหมักดองทั้งหลายที่กินแล้วเมา คัญชายาฝิ่นเฮโดอินยาบ้ายามะโคเคนเออมันเป็นตระกูลเดียวกันทั้งหมดนั่นแหะจะมีชื่อและไม่มีชื่อก็อตามถ้าดื่มแล้วเสพเข้าไปแล้วขาดสตินั่นแหละ เ, ออเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหมดสรุปแล้วก็คือศิลข้อห้าเป็นศินหลังคาซ า, าลาหลวงพ่อว่านะไอ้ลูกหลานสังเกตดูนะคือเป็นศินหลังคาศาลาคือเป็นที่มุงบังถ้าว่าศาลาหลังนี้น่ะไม่มีสังกสีมุงลน่ะ มีแต่มันโล่งขึ้นไปเวลาฝนตกลงมาพวกเราเปียกมดอยู่ไม่ได้อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะสาลาไม่มีไม่มีเครื่องมุงบังนี้ก็เหมือนกันถ้าคนเราทุกคนถ้าหาวกขาดจิตสักอย่างเดียวดื่มสุรากัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนอะไรดื่มแล้วขาดติในเมื่อขาดจิตแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเสียหายอย่างมากเพราะอะไรเพราะคนขาดจิตเนีย คนขาจะตีจก็เหมือนกับล้างขาศาลาไม่มีหลังคานั่นแหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายในพรรษานี้นะที่จะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้วันนี้ก็เป็นวันที่25วันที่วันที่30เป็นวันอิสรหบูชาวันที่31เป็นวันเข้าพรรษาในพรรษาเนี่ยข้าพเจ้ารู้แล้วว่าการดื่มสุราลก ของคัญชายาวฝิ่นมันขาดสติแล้วข้าไปเจา้าจะงดในการเสพระดื่มของเหล่านั้นโดยเด็ดขาดในพรรษานี้นี่แหละอยากจะให้พวกเราคณะสัตาายาธิโยมลูกหลานทุกคนนะทั้งให้ตรวจตราดูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็ทั้งบุหรี่ด้วยถ้าเป็นไปได้นะบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคณะสัาาาตาิโยมลูกหลานทั้ง สุราทั้งบุรี่ทั้น ง, งดได้ในสามเดือนเนี่ยหลวงพ่อว่าจะเป็นเออลิเป็นมงคลสำหรับชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้คุณค่าของศีลแล้วนะหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติงยันติสีเลนะโภกสัมปทา สี<า>เลนะนิพุติียงยันติตัตสมาสีลังวิโ ส, าสาทายเออวันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะมีอะไรพูดปา ร, รบเรื่องงานพวกเราให้ฟังวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราจะได้บวชลู ก, กหลานไว้ในพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าวันเสาร์ที่ยี่สิบห้า กรกดาคมพุทธศกราช 2,558 เมื่อเราคณะทาญาติโยมพระสงค์ต่อไปพระสงค์จานุโมทนาให้พรเมื่อจนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็คงจะร่วมรวมกันทานอาหารรับทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปบวชนาคข้างในสลาในนะสลาหลังนี้เป็นสลาอนเนกประสงค์สําหรับ ตอนรับครับสู้เพราะว่าเราจะไปรับข้างในสลาไม่เพียงพอคนมากเพราะนั้นเราจึงรับกันข้างนอกสลาหลังนี้แต่ว่าบวชที่จะบวชพระจริงๆคือพิสุงคามสิมมาอยู่ข้างในหยุดสลาหลังในเพราะนั้นเมื่อเรารับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้าไป ข้างในไปบวชพระลูกหลานของพวกเราวันนี้จะมีการบวช10บนาคนะและก็ผู้ที่ไม่เคยเห็นการบวชพระในพระพุทธศาสนาจะเข้าไปดูไปชมไปสังเกตการไปแสดงความยินดีแสดงอนุโมทนาในการบุญการสร้างการกุศลในคราวนี้ครั้งนี้ก็ได้เนะเข้าไปข้างในได้เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคล เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาก็เราก็บวชไปรอบหนึ่งเป็นนาค9นา้านาคแต่วันนี้เราจะบวช10บนาคที่เราจะบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าพวกเราจวนจะเข้าพรรษาลูกหลานของเราที่จะมาบวชในหลวงพ่อขาวาพีน้องศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของนาคแต่ละท่านก็คง ดีอกดีใจในระดับหนึ่งเพราะชีวิตของลูกเราเมื่อตะก่อนเราก็อยากจะให้เรียนหนังสือเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วก็พ่อแม่ก็ดีใจในระดับหนึ่งจากนั้นลูกของเราก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาเสียสละบวชแทนพระคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็คงจะดีใจในระดับหนึ่งระดับที่สองระดับที่สมเมื่อลาศิกขาไปแล้วถ้ายู่ไม่ได้ในศาสนา ลูกหลานก็ไปทําการทํางานมีหน้าที่การงานทําพ่อแม่ก็ดีใจอีกในระดับหนึ่งจากนั้นลูกหลานของเราเ ม, มีครอบมีครัวอันนั้นก็ดีใจในอีกระดับหนึ่งมีหลายระดับนะ เ, เพราะฉะนั้นในการนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหละ เ, เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ลูกหลานของเราได้บวชในพระพุทธศาสนาไดป้ปฏิบัติในศีลในธรรมเป็นการ นำความสุขหรือว่าเป็นการสร้างบุญสร้าง ก, นนากุศลเป็นนามัธรรมบุญกุศลเนี่ยเป็นนามัธรรมเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่มีความสุขนะมีความสุขลึกๆในจิตใจเพราะบุญกุศลเนี่ยทุกคนจะต้องสั่งสมอย่างในหลักธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสไว้ว่าปุญญานิปัลโลกัตสง ปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญยอมเป็นที่ทพึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนานทั้งโลกนี้หกคนที่มีบุญมาเกิดก็มีแต่ประสบความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมในเมื่อเราล่วงรับไปแล้วบุญกุศลที่พวกเราได้สังสมไปนี้ก็ส่งเสริมไปสู่ปรโลภายภาคหน้าอีกนะ นี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นบุญกุศล ท, ที่พวกเราจะได้ทําจะได้สร้างจะได้ทําในคราวนี้ในครั้งนี้ในการบวชนาคไว้ในพระพุทธศาสนาบวชลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งจัดว่าเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะ ที่มาบวชลูกหลานไว้ในคราวนี้ครั้งนี้ลูกหลานของเราก็ได้เสียสละในการบวชแต่องค์หลวงตามหาบัวนะองค์หลวงตามหาบัวที่เราได้ดูประวัติของท่านท่านก็พูดในเสียงใน MP3 ในเสียงแทบ็บวิดีโออะไรที่หลวงตาพูดแต่หลวงตาไม่อยากจะบวชนะหลวงตาเนี่ยไม่อยากจะบวชเพราะท่านกําลังติดเที่ยวติดเล่น ทั้งพ่อแม่ก็ขอร้องขอร้องให้บวชเพราะพี่ชายใหญ่กันพ่อแม่ก็ไม้ปั้นไม้มันปั้นมือพี่ชายคนโตอยากจะให้บวชแต่ท่านก็ไม่ได้บวชก็แต่งงานไปพอหลวงตาของเราเนี่ก็จะไปอีกรอบพี่ชายใหญ่เหมือนกันเพราะท่านก็เป็นคนหน้าตาลู ป, ปลั่งวาทะดีอีกต่างหาก เเท่าท่างของสาวๆก็มาติดอีลุงตรงนังอีกเหมือนกันเพราะนั้นพ่อแม่ก็ไม่สบายใจถึงยังไงก็ขอให้บวชในพระพุทธศาสนาก่อนนี่แหละจึงขอร้ององค์หลวงตาหลวงตาโอ้เป็นการที่ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเนี่ยพอพ่อแม่เอาแบบคล้ายๆว่าหักหักด้ามพ้าใส่หัวเข่าอะไร่างนั้นะ กำลังจะทานอาหารล้อมวงกันลูกทั้งสิบสี่คนนะพี่น้องของท่านนะแต่นั้นพ่อพ่อก็พูดขึ้นมาก่อนเลยเเบวชเป็นไงจะบวชให้พ่อให้แม่ได้ไหมเพราะว่าพ่อแม่หม้มั่นปั้นมือจะให้พี่ชายบวชก็เป็นอย่างนั้นลหละไปแต่งงานไปเสียแล้วแต่บวบวชก่อน เจ้าโดยผมดูดูแล้วมันจะเป็นอีรอบกับพี่ชายใหญ่เพราะนั้น บ, บวชให้พ่อให้แม่ไม่ทําไม่บวชให้ทํำยังไงลูกตั้งหลายคนพ่อแม่หาเลี้ยงลูกเนี่ยเท่าไหร่ค่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเท่าไหร่แต่ละวั น, นมาเลี้ยงลูกนะแล้วถ้าหาว่าลูกไม่บวชให้พ่อแม่จะไปตกนรกหลุมไหนพ่อโพูด์สาธยายเพราะนั้นขอให้บวชจูงพ่อแม่ขึ้นจากนรกนะ ถ้าเป็นไปได้นะเอจะจะให้บวชซะก่อนได้ไหมเอพอว่าทันั้นน่แม่ก็น้ำตาพังเลยได้ยินพ่อพูดจากนั้นพ่อก็น้ำตาพังอีกเออคล้ายๆกับพูดออกมาจากใจจริงและจริงใจเนพอพูดทั้นั้นเ่หลวงตาของเรานี่ก็มองหน้าพ่อหน้าแม่อายุสิบเก้าเข้ายี่สิบโอ ลุกจากที่นั่งและไม่ได้ทานอาหารเลยวันนั้นคล้ายๆก่บมันมันจุกเออมันอิ่มเลยมันจุกอยู่ที่คอเลยเพอเห็นน้ำตาพ่อกัน้ำตาแม่ตัวเองก่อนเนี่มีแต่ควายฝ่ายทางคารวดอย่างเต็มร้อยเหมือนกัน อ, อ่พาพอติดสาวนะพูดง่ายๆออติดเล่น ต, ติดความสนุกนะเพราะใ น, นส่วนหนีออกจากพาข้าวเลยวันนั้นออวงวงข้าววงล้อมข้าวในกลาง กำลังจะทานอาหารไม่ได้ทานเลยเอ่อย่างนั้นแต่ท่านก็ห น, นีหลบออกไปท่านก็จะเคสเอ่เอาอย่างไรเราจะบวชได้หรือเอ่แล้วก็มันก็หิวใช่ไหมละ่ะเอจะมา ล, ล้อมวงอีกเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะประเชิญกับหน้าพ่อแม่อีกไม่ต้องจะตอบคำถามว่ายังไงไม่กล้าเข้ามาทานอาหารเวลาเขาทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออ ตัวเองกันมาหลอมมาแหลมันขึ้นมาในครัวแล้วกัมีอะไรก็กินกินจิมจิมไปเอออาหารที่มันเหลือบ้างไม่เหลือบ้างก็กินไปเออได้สามวันท่านว่ากันนะการตัดสินใจของหลวงตาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะสามวันท่านว่าท่านว่าตายก็ตายวะคนอื่นเขาก็ยังบวชได้ทำไมเราจึงบวชไม่ได้ว้าบวชให้พ่อให้แม่สมเดือนเท่านี้ไม่ได้แล้วเรามันชักจะเกินไปแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาถึงขนาดนี้แล้ว เราจะเอาแต่ใจตัวเองได้อย่างไงเอา้าตัดสินใจเนะกัดฟันนะเลอพอเขาวันที่สนะีเ่เข้าไปนั่งล้อมวงพอไปถึงแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยล่ะคุณพอ่อคุณแม่อยากจะให้ผมบวชผมก็จะบวชให้แต่จะให้กาหนดกฎเกณฑ์ว่าบวชเท่านั้นเดือนทุนนปีนี่ผมจะไม่บวชท่านยื่นคำออกไปแม่ก็นั่งอยู่ที่นั่นก็ไม่ว่า ทางแม่บอกเออดีและลูก เ, เออแม่ยินดีเออข้อสําคัญแม่จะไม่ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้ลูกวัดบวชทอนทันปีเท่านี้เดือนแต่ข้อสําคัญให้ลูกบวชให้พ่อแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองพอออกจากบสถมาแล้วเนี่ยลูกจะศึกเลยพ่อแม่ก็ไม่ว่าแม่ไม่ว่าอะไรสักคําขอให้ลูกเข้าไปบวชแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ศึกเลยแม่ก็ยินดีพราเห็นได้ ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกแล้วนะหลวงตามหาบวชโอ้โหแม่ของเราเนี่ฉลาดจริงๆรงนะเออือว่าทันทันเกมของลูกชายว่างั้นนะ่ะเออใครจะเป็นบ้าไปหาศึกได้ถึงขนาดนั้นทวานะเออจากท่านทานก็เลยพอแม่สงเข้าไปท่านก็เข้าไปบวชเป็นนาคเลยแนตะ่ไม่พอตั้งแต่วันเข้าไปทีแรกไม่เคยออกมาจากโบสจากวัดเลยนะเออคล้ายๆว่า เป็นนาคที่ดีเลยไม่เที่ยวไม่เตรไม่ออกทะเลถลายพอเข้าไปแล้วก็อยู่วัดเลยเจากนั้นก็ได้บวชพอบวชเสร็จแล้วก็เรียนหนังสือแต่เน เ, เรียนนักธรรมมีการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำจากนั้นท่านก็เห็นพระอาจารย์พระอุปชาของท่านท่านก็เดินงอ๊งอบแล้วก็กลับเดินเดินกลับจากนั้นก็ไหว้พระท่านเห็นท่านนั่ง ลวงตาเราก็ถามว่าท่านอาจารย์ท่านเดิ น, ท, นท่านอุปชาท่านเดินอะไรทว่าเดินจงกรมเนี่ยละเดินจงกรมพระบวชเข้ามาต้องเดินอย่างนี้เห็บภาวนาอย่างนี้ละ่ะเดินพุโทโธพุโทโธพุโทโธเวลานั่งก็เนี่ยกหนดลมหายใจเข้าพุทโธพุโทพโธนทําจิตใจให้สงบนะนี่หละคือการบวชเข้ามาต้องปฏิบัติตนอย่างนี้เอ่อบตรงรักษาศีล น, นั่งภาวนาปฏิบัติ จากนั้นหลงตาเท่าก็ปฏิบัติอย่างที่อุปชาท่านบอกเนละท่านพยายามนั่งภาวนาพอนั่งไปนั่งไปทั้งเรียนหนังสือด้วยทั้งดูพุทธประวัติด้วยทั้งสาวกประวัติด้วยจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิโอ้จิตใจเป็นสมาธิเย็นมีความสุขจริงๆรเท่อนนัะ้เอ๊ะทาไมมันเป็นอะไรเนี่ยทาไมเป็นอะไรเอ๊ะทำไมไม่มีความสุขกว่าจิตใจมันเย็น ทั้งหมดเลยเนะี่ยต่อมาอีกนั่งอีกพยายามจะให้มันเป็นอย่างเมื่อคืนที่ที่เป็นนะมันก็ไม่เป็นเท่านะพอเ อ, อาแตเป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไร ล, ละเมันจะเป็นยังไงก็ช่างนะภาวานาพุทธโธกําหนดลมหายใจมันก็เป็นอีกเท่านะนี่แหละสรุปแล้วก็คือผู้ที่ภาวานาถ้ามันอยากอยากจะให้สงบมันจะไม่สงบนอะถ้าว่าพภ า, าวานาไปเรื่อยๆมันจะสงบเองมันจะมีความสุข ที่เข้าทํานองที่ว่านัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละอันนี้ให้พวกเราศึกษาแ น, แนวปฏิปทาขององค์หลวงตาหลวงตาไม่ใช่่าอยากจะบวชนะะับหนาะสัทธ า, ญญาติโยงลูกหลานจากนั้นทางก็พอบวชเข้ามาแล้วจนจิตใจมั่นคงมีความสุขในเรื่องสมาธิแ้ากิเรียนหนังสือไปด้วยศึกษาไปด้วยเรียนไปด้ว ย, ย, วยจิตสงบไปด้วย ผลในสุดได้จบปทสามออกจากการเรียนหนังสือเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเลย่นศึกษาอย่างเต็มที่เท่นเลยนะอันนี้สรุปแล้วก็คือเนท่านมีอุปนิสัยมีบุญวาดศสนาบา ร, รมี เ, เก่าแก่ของท่านมีส่งเสริมมาแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งยุคหนึ่งก็มีก้อนเมฆก้อนฝ้าเข้ามาปิดบงังมืดบอดปิดบังพระอาทิตย์นะ แต่พอเมฆหมอกตัวนั้นผ่านไปนะแสงสว่างทางด้านจิตใจของท่านแสงธรรมะของท่านก็จ้าออกมาทนะ่านก็ปฏิบัติต น, ตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีกิติศัพท์ชื่อเสียงเลื่องลือทั่วโลกทั่วประเทศทั่วโลกนะอันนี้ก็คือแนวปฏิบัทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของพวกเราเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลาน ทั้งหลายบวชเข้ามากิตั้งตนเป็นคนดี เ, เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นสาสกยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอย่าทะเลทลายนะบวชเข้ามาแล้วเนะี่ยเป็นผู้ตั้งใจรักษาศีลเมื่อเราซักษาศีลภาวนาดีแล้วนะบุญกุศลทั้งหลายญาติโกโหติกาที่มาบวชพวกเราในวันนี้แหละพวกท่านทั้งหลายก็จะมีความสุกกายสุขใจ และลึกถึงพระลูกพระหลานของพวกเราแล้วก็บุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจพวกลูกหลานก็ามาบวชแล้วก็อุทิศ ส, ส่งบุญกุศลให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่มาบวชข้าพเจ้าก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขะพาระลาบยศสารเสริญสุขเน่าทุกๆคูท่ ท, ท, ทุกคนหน้าน่ยอันนี้อนาจจะต้องส่งกระแสจิตกระแสใจให้กับวงสาคานาญาติของพวกเรา เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะได้มาบวชลูกหลานไปในพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศล น, นะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสําหรับตระกูลของพวกเราเนะี่ยวันนี้หลวงพ่อได้แนะนํำและบอกกล่าวเรื่องพวกนั้นทั้งพวกเราท่านหลายควรจะได้รับรู้รับทราบเป็นการศึกษาเรียนรูนะ้เพราะว่าการรู้การศึกษาเนะี่ยมีมาก หลายแนวทางที่พวกเราจะควรจะได้รับรู้รับทราบวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งพวกเราได้เข้ามาบวชพระลูกหลานของเราหลวงพ่อก็ได้แนะนำแนวปฏิปทาหรือว่าประวัติขององค์หลวงตาน่อยเป็นเบื้องต้นที่ท่านจะบวชไม่ใช่ชั้นท่านอยากจะบวชนะ้ค่ๆว่าเป็นการบังคับไกลๆ ล, ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่พอบังคับแล้วก็ ท่านก็ศึกษาจากนั้นก็ท่านก็ได้ศึกษารู้จริงเห็นจริงในหลักธรรมดื่มดำ่ำสู่เข้าสู่ธรรมะจากนั้นก็ได้เป็นประวัติเรื่องลือไปทั่วโลกอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่คือองค์หลวงตามหาบัวนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรณฑนีน่รับพร